บุกทูแปดสิบเอ็ดอดีตการหนึ่งทินเขียนเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ ยุนพิซาลิสตและเธอได้เขียนการดหนึ่งใบอาญ่าพิซาลปาสตูคุอ่านชุดัตเขาได้อ่านมิตยสาราหนึ่งฉบับยุนชุดาอชาสูปิสและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม อียานาอตานหนังสหยิบอุิ่จเขาได้หยิบบุหรีหนึ่งมนญญวนยุนจับบุหรี่เธอได้หยิบช็อกแลตหนึ่งชิน้นยานา ว, วิา่งเข้าไปในสวนเขาไม่ซื้อสัตว์แต่เธอซื้อสัตว์ เขาขี้เกียจแต่เธอขยันยเขาโจนแต่เธอรวยเขาไม่มีเงิน มีแต่นี้อย่างไรไม่เป о นเงินแต่เป็นป้าิเขาไม่มีโชค ม, มีแต่ชโชคร้ายอย่างไรไม่เป็นชั้ н สวรรค์แต่เป็นเนนดเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลหว у яго н ไ было п о ็น ป, ประสบความสำเร็จมเหลว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 Е он не был симпатичны, а был несимпатичны.